ขอนอบน้อมรอประรถนาใจขอการพระอาจารย์ทรงศิี์ขอการเพื่อนธรรมทุกท่านจะเดินในธรรมไม่ขี้แล้วก็ยติธรรมทุกคนแล้วนะก็มาปฏิบัติธรรมรหรับผู้ใหม่ก็ดีผู้เก่าก็ดีนะที่จริงก็ทําอย่างเดียวกันนะทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดในการปฏิบัติธรรมคือการทําหน้าที่ กลับมาศึกษาเรื่องของตัวของเราเองนี่แหละนี่คือการปฏิบัติธรรมกลับมาศึกษาเรื่องภายในความรู้ที่เป็นเรื่องภายนอกของเราศึกษากันมามากแล้วเนาะส่วนใหญ่ก็เรียนจบอย่างน้อยก็ปริญญาตีเป็นอย่างน้อยเนาะพวกเรามีความรู้ภายนอกในการประกอบอาชีพในการเลี้ยงชีวิตในการเกี่ยวข้องสัมพันกับผู้อื่น มีมามากแต่ความรู้ที่เราเกี่ยวข้องกับตัวของเราเองมีมากหรือมีน้อยกลับมาสารวจตัวของเราเองเนาะกลับมาสารวจตัวของเราเองเวลามีปัญหาในชีวิตเราสามารถผ่านปัญหาในชีวิตได้มากได้น้อยขนาดไหนนะต้องร้องไห้เสียใจต้องโวยวายหรือว่าต้องกุ่มใจเป็นทุกครั้งทุกคราวหรือเปล่านะหรือว่า มีปัญญามีความฉลาดมีความสามารถแต่การที่จะออกจากปัญหาได้เรียกว่าคล่องขึ้นเร็วขึ้นเก่งขึ้นนะเราสามารถพัฒนาสิ่งต่างๆเหลเรานี้ได้หรือเปล่านะถ้าเรากลับมาทบทวนตัวเองเราจะเห็นว่านะเรามีพัฒนาการในเรื่องจิตใจเรื่องความสามารถในการที่จะออกจากปัญหาได้ไหมนะถ้าเรามีความสามารถตรงนั้นเรียกว่าเราก็อยู่ใน เส้นทางในการปฏิบัติธรรมเช่นเดียวกั น, นการปฏิบัติธรรมอาจจะไม่ใช่แค่การที่ต้องมากระทำในรูปแบบเท่านั้นแต่ถ้าเมื่อใดทีเ่เรามีปัญญาเวลาเกิดปัญหากับชีวิตเราสามารถผ่านปัญหาได้ด้วยจิตใจที่เรียกว่ามีความทุกข์น้อยลงหรือว่าไม่ทุกข์เลยอันนั่นแหละเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นปัญญาในทางพุทธศาสนาพราปัญญาในทางพุทธศาสนา ไม่ใช่การมีข้อสอบมาชี้วัดว่าใครจําได้ใครเก่งขนาดไหนแต่ตัวที่จะชี้วัดเป็นบททดสอบที่ดีที่สุดคือเวลามีปัญหาหรือวลามีความทุก์เกิดขึ้นเราสามารถผ่านมันได้ด้วยจิตใจเช่นไรอันนี้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากทั้นการผ่านปัญหาหรือการผ่านความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราเองถ้าเราผ่านมันได้ใ น, นอันนั้น เราจะผ่านแบบไหนคนทั่วไปเขาใช้วิธีผ่านแบบวิธีการที่เรียกว่าส่วนใหญ่หนีอารมณ์ข่มอารมณ์หรือว่ากบอารมณ์ไว้นะไปกินไปเที่ยวไประบายไปทำอะไรให้มันลื ม, ลมความทุกข์ไปให้วันวันนึง ม, มันผ่านเรื่องราวต่างๆไปโดยที่เรียกว่าหลงลืมว่าจะกลับมาเรียนรู้ว่าเราจะจัดการความทุกข์อย่างไรอย่างแท้จริงคนส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีเรียกว่า หนีทุกข์นะเป็นวิธีทางโรคๆนะเป็นวิธีทางโรกๆหนีความทุกข์ออกไปให้ไกลที่สุดนะก็คนก็ทากันเช่นนั้นมาตั้งแต่บ ร, บราณมาละสมัยปัจจุบันมันก็มีนะเบือบ่อเบื่อเซ็งเซตัวเองก็ไปหาคุยกับคนอื่นไปเข้าอินเทอร์เน็ตนะไปเรียกว่าไปหาเรื่องให้มันมีอะไรทำสักอย่างหนึ่งให้จิตมันไม่ฟุ้งซ่านเพราะว่าอะไร คนส่วนใหญ่อยู่กับตัวเองไม่ได้อยู่กับตัวเองไม่ได้อยู่แล้วเหงาอยู่แล้ววุ่นวายใจอยู่แล้วฟุ้งซ่านใจอยู่แล้วไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีการมาปฏิบัติธรรมจะเป็นการฝึกทักษะในการทำให้เราอยู่กับตัวเองให้ได้นะแม้บางคราวเราจะอยู่เกี่ยวข้องกับคนอื่นก็อยู่ได้เช่นเดียวกัน แต่การเริ่มต้นในการกลับมาอยู่กับตัวเองเนี่ยจะช่วยทําให้เรามีที่พึ่งในตัวของเราเองอยู่กับตัวของเราเองนะแต่ไม่ใช่อยู่กับความคิดนะนะบางคนพออยู่กับตัวเองแล้วก็คิดนั่นคิดนี่คิดไปอดีคิดไปอนาคตทําอะไรเรียกว่าไม่เป็นชิ้นไม่เป็นอันแต่การอยู่กับตัวเองของเรามันมีเรียกว่ามีเครื่องมือในการช่วยให้เราอยู่กับตัวเองให้ได้เพราะเมื่อไรถ้าเรา อยู่กับตัวเองไม่เป็นอย่างแท้จริงเราก็จะลงไปอยู่ในโลกของความคิดหรือไปหลงไปเศร้ากับอารมณ์อะไรที่เกิดขึ้นในตอนนั้นการที่เรามาฝึกหัดมันก็เลยมีรูปแบบมีกรรมฐานนะจะรูปแบบกรรมฐานสำนักไหนวิธีการใดก็แล้วแต่ถ้าเป็นกรรมฐานที่เป็นไปเพื่อทำให้เกิดความรู้สึกตัวนะไม่ใช่ทาให้เกิดการหลงตัวหรือว่าทาให้เกิดการเรียกว่า แค่ความสงบเท่านั้นถ้ากรรมฐานที่ทาให้เกิดความรู้สึกตัวเกิดความรู้นะของเรื่องรูปและเรื่องของนามอันน่าดละคือกรรมฐานในแนวทางของพระสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริงกรรมฐานก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตัดสู้มีการทำความสงบอนะ่จนได้สมาธิขั้นสูงก็มีมาก่อนอยู่แล้วมีการทรมานตนให้ลาบาก ก็มีการทํามามากมายแล้วมีการคบคิดพิจารณาศึกษาปรัชญาของชีวิตต่างๆก็มีมามากแล้วมีวิธีการต่างๆมากมายตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาลหรือสมัยนี้ก็ยังมีอยู่ไม่หนีไม่ได้ว่าไม่หายไปจากโลกนี้นะแต่สิ่งที่พระเจ้าท่านค้นพบคือทางสายกลางทางที่เรียกว่าออกจากความทุกข์แต่การที่เราจะออกจากความทุกข์ได้ เราต้องเรียนรู้ทุกก่อนนะเราจะออกจากอะไรได้เราต้องรู้จักตรงนั้นก่อนนะถ้าเราไม่รู้จักทุกเราจะออกจากความทุกข์ไม่ได้หรอกนะเรามีแต่จะหนีทุกพระพุทธเจ้าสอนสิ่งสำคัญมากอาจจะเรียกว่าสำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้นะก็คือเรื่องของความทุกข์เรื่องของความทุกข์คือสิ่งที่สำคัญในเรื่องของพุทธศาสนาอั <S <S <S <ๆ>นนั้นการที่เรากลับมาศึกษาเรื่องของความทุกข์นี่แหละ จึงเป็นประเด็นที่สําคัญเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้จากพุทธศาสนาอย่างแท้จริงเรากลับมาดูว่าความทุกข์คืออะไรความทุกข์เกิดขึ้นได้อย่างไรความทุกข์ดับไปได้อย่างไรนะต้องรู้ก่อนว่าทุกข์คืออะไรนะแล้วถ <Warren. S 1> นะึงจะรู้ว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วถึงจะรู้ว่าจะดับความทุกข์ได้อย่างไร ความทุกข์คืออะไรถ้าจะบอกมันก็พูดตามเขาก็ว่ากันได้เนาะความทุกข์อย่างที่เราสวดมนต์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจการประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจการพัดพลาดจากสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจว่าโดยย่อก็คือเนะี่ยเรื่องของความทุกข์อันนั้นเป็นความทุกข์ที่อันมาคิดว่าทุกคนก็ต้องเจอ เพราะว่าเราต้องมีการพัดภาคจากสิ่งเป็นที่รักเจอกับสิ่งที่ไม่ถูกใจมันเป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องธรรมดาซึท่ทุกคนก็ต้องเจอแต่ไอความทุกข์แบบนั้นมันเจอแล้วเราวางใจแบบไหนอันนี้คือปัญญาเมื่อสมมุติมีเพื่อนรักมีคู่รักของเราต้องตายต้องพากจากกันไปเราอยู่ได้ไมในโลกนี้ อยู่ด้วยกันมา 30- 40, 40ปี60ปีถึงวันหนึง่งไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้แล้วจิตใจมันเป็นเช่นไรนะมันคงลาบากใจเนาะแต่ถ้าเราไม่มีที่พึ่งทางใจเราก็จะโหยหาแต่อดีตอะไรถึงคนรักคนที่จากไปเนี่ยถ้าเราไม่มีที่พึ่งทางใจจิตใจของเราก็จะเป็นทุกข์เพราะเรื่องต่างๆเหล่านี้อันนั้นคือความทุกข์ในเรียกว่าง่ายๆที่คนทั่วไปก็ ประสบพบเจอแล้วก็รู้ว่ามันเป็นทุกข์ต้องเสียใจต้องร้องไห้หรือว่าต้องทําใจกันพอสมควรแต่ความทุกข์ที่พระเจ้าท่านสอนเลื่อขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งคืออะไรทุกข์ที่เรียกว่าอุปทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์อุปทานคือการยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้งห้าขันธ์คืออะไรคือรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณ จะว่าโดยย่ อ, อ ก, ก็ได้ว่าการยึดมั่นถือมั่นในรูปและก็นามถ้าภาษาโลกโล ก, ก็เรียกว่ากายหรือว่าใจเนาะเนี่ยว่าโดยย่อ อ, อุปทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์อุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นถ้าภาษาหลวงพ่อพุทธทาสทั้นสอบอกว่าการยึดตัวกูของกูนี่แหละคือที่มาของความทุกข์เมื่อไรที่เรายึดว่ากายนี้เป็นของเราเมื่อ น, นั้นแหละ ม, ม, มีความทุกข์แล้วเมื่อความทุกข์เขเวทนาเกิดขึ้นกับกายนะเวลามีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นกับกายใช่ไหมแล้วก็เกิดมีความทุกข์ใจเราสังเกตนะที่จริงโรคภัยไข้เจ็บไม่ใช่เป็นบอกเกิดของความทุกข์ใจนะเช่นสมมติโรคภัยไข้เจ็บเกิดกับคนป่วยเกิดกับคนอื่นเรามีหน้าที่เป็นหมอเป็นพยาบาลดูแลเขาเราไม่ได้ทุกนะใช่ไหมไม่ได้ทุกเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บ แต่ถ้าเมื่อไรโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นกับตัวของเราเองเมื่อนั้นแหละมันถึงทุกข์อันนั้นที่จริงสาเหตุของความเจ็บไข้ได้ป่วยของของร่างกายที่มันตายไปก็ดีมันไม่ใช่เป็นเรื่องของความทุกข์โดยตรงหรอกแต่เมื่อใดที่มันเกิดขึ้นกับสิ่งที่เราไปยึดว่าตัวเราของเร า, าหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องกับเราเมื่อมีเราเมื่อมีกูเข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรก็แล้วแต่มันไปยึดตรงนั้นไว้มันเลยเกิดเป็นความทุกข์ เ, เรื่องของรูปมันเป็นเช่นนี้นะเรื่องของนามก็เป็นเช่นเดียวกันนะเวทนาคือความรู้สึกนะความรู้สึกสุขทุกข์หรือว่าเฉยเฉยถ้าเราไปชอบอะไรเราก็จะยึดตรงนั้นไว้เช่นชอบสุขก็จะยึดสุขไว้ให้อยู่นานๆนะอยากให้มันสบายอยากให้มันดีแบบนี้ตลอดไปบางทีไม่ชอบทุกข์แต่ก็ไปยึดไวนะ้นะสังเกตไหมบางทีเวลาเราทุกข์ใจเมื่ อ, อไร จะมีคนมาปลอบใจนะี้บางทีก็ไม่ค่อยชอบนะนะอยากจะร้องไห้ให้มันสุดๆดไปเลยนะอยากจะเสียใจสุดๆไปเลยนะมาช่วยฉันทําไมฉันอยากจะจมกับอารมณ์นี้ตลอดไป่นะไม่ต้องมาช่วยฉันปล่อยฉันไวนะ้ก็มีคนแบบนี้เหมือนกันนะอืแต่บางทีความที่เราไม่ชอบทุกข์เราก็อยากจะไปผลักใส่ทุกมันก็ยังผิดเหมือนกันนะเช่นอารมณ์ ทุกใจเกิดขึ้นพยายามที่จะผักไสผักไส่ผักไสแต่ยิ่งผักใสเท่าไหร่นะยิ่งเป็นการเติมความทุกข์เข้าไปสู่ใจิตใจมากขึ้นเท่านั้นมันไม่ใช่การแก้ปัญหาแต่เป็นการเพิ่มปัญหาเหมือนคล้ายๆมันมีเชือกมีปมนะที่มันเรียกว่าผูกรัดยุ่งเป็นม้วนเป็นกลมไปหมดแต่เราพยายามที่จะแก้เชือกให้มันออกให้ได้แต่เราไม่ฉลาดพอหรือว่าแก้ไม่ถูก การที่จะแก้ให้เชือกมันปลอมมันคลายออกจากกาันกลับเป็นการทําให้มันยุ่งเหยิงสับสนขึ้นไปเรื่อยเหมือนเวลาเรามีความทุกข์เกิดขึ้นเช่นความโกรธเกิดขึ้นเราอยากจะให้ความโกรธมันหายไปโดยพยายามข่มไว้พยายามอะไรก็แล้วแต่หรือเราไม่ชอบความโกรธนั่นแหละกลับกลายเป็นการเพิ่มความโกรธเข้าไปเหมือนกับไฟที่มันไหม้อยู่แทนที่ จะดึงเชื้อฟืน อ, ออกไปนะแต่เราไปเติมเชื้อฟืนเข้าไปสู่กองไฟมันก็ยิ่งไหม้เข้าไปขึ้นเรื่อยๆการเติมเชื้อฟืนก็เกิดได้จากสองทางนี่แหละเกิดจากความชอบแล้วก็ความชังความชอบก็คือความอยากที่จะยึดไว้ความยัง้งความชังก็คือความอยากที่จะให้หายไปไอ้สิ่งต่างๆเ่านี้แหละมาทำให้จิตใจของเรามันทุกข์ทุกข์หนักจ น, นเรื่อยๆนะเพราะว่าอะไรเนะี่ย เพราะอุปทานในการยึดมั่นว่าใจนี้เป็นของเราเมื่อเรายึดมั่นว่าใจนี้เป็นของเราเราก็เลยอยากจะให้ใจนี้มันดีอยากให้ใจนี้มันไม่ทุกข์อยากให้ใจนี้มันสบายแต่ถ้าสังเกตว่าเอ๊ะที่จริงใจนี้ก็ไม่ใช่ของเรานะใจก็เป็นเรื่องของใจแค่ดูมันเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตอนนี้ความโกรธเกิดขึ้นกับใจแต่ไม่ใช่ใจเราโกรธนะ ถ้าสังเกตแบบนี้นะความโกรธเกิดขึ้นกับใจกับบอกว่าใจเราโกรธหรือว่าบอกว่าเราโกรธเนี่ยนะนะมันต่างกันมากดีกีหรือว่าระดับมันถ้าสมมติว่าเราเป็นผู้โกรธนะมันเรียกว่าไปทั้งเนื้อทั้งตัวไปทั้งกายทั้งใจเลยนะแต่ถ้าบอกว่าเห็นใจมันโกรธอาจจะรู้สึกแค่ว่าใจนะใจมันโกรธแต่ไม่ใช่เราเป็นผู้โกรธ เนะี่ยสังเกตตรงนี้ก็ได้เราก็ดูอุปทานในการยึดมั่นอะไรนะทำให้เราเกิดเป็นความทุกข์สัญญาสังขารหรือว่าบิน ญ, ญาณก็เช่นเดียวกันนะสัญญาการจําได้ไหมรู้จําได้ว่าคนนี้เพื่อนเราคนนั้นคนที่สมมติว่าเป็นศัตรูเราเป็นฝ่ายตรงข้ามเราอะไรนะสัญญาเห็นแล้วก็ชอบเห็นแล้วก็ชังเห็นแล้วก็อยากจะ เข้าใกล้เห็นแล้วก็อยากจะหนีไกลๆนะมันก็ทําให้จิตใจของเราผิดปกติไปนะสังกาสังขารการปรุงแต่งเรื่องอะไรต่างๆเนาะปรุงแต่งมากเท่าไหร่ก็ทุกมากเท่านั้นปรุงแต่งน้อยเท่าไหร่ก็ทุกน้อยลงเท่านั้นสังเกตไหมความคิดนี่แหละเป็นสิ่งที่สําคัญประเด็นสําคัญที่เรามาฝึกหัดกันนะคือการรู้ทันการสังขารการปรุงแต่งนี่แหละการปรุงแต่งเกิดขึ้นที่ไหนดูลงไป ดูลงไปความคิดเกิดขึ้นได้อย่างไรเห็นกระบวนการของการคิดถ้าเราเห็นกระบวนการของการคิดนะความคิดจะตกไปทันทีเหมือนสมมติว่าโรงงานโรงงานจะผิดอะไรก็แล้วแต่เนาะโรงงานส่วนใหญ่มันต้องใช้อาศัยไฟเป็นหลักนะมันเคลื่อนไปตามกลไกที่เขาผลิตเครื่องยนต์ต่างๆไว้มันก็ทําไปถ้าเราจะดับ กระบวนการของโรงงานก็เราก็เพียงแค่ตัดไฟหรือว่าปิดสวิตช์ลงไปทุกสิ่งทุกอย่างในนั้นนะที่มันอาศัยไฟฟ้ามันก็ดับลงไปกระบวนการของความคิดก็เช่นเดียวกันนะมันจะคิดไปเป็นอัตโนมัติมากเหมือนโรงงานที่มันเคลื่อนไปสายพานเคลื่อนไปตามําดับตามลำนำขั้นตอนหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอะไรก็แล้วแต่ของเขาไปแต่พอเรารู้ทันมันเมื่อไหร่นะมันดับทันทีนะเหมือนเราปิดสวิตช์ไฟ ฟ้าลงทันทีความคิดพอเรารู้ทันนะมันตัดตรงนั้นทันทีนี่เป็นประเด็นสำคัญมากของการปฏิบัติธรมรมหลวงพ่อเทียนนะท่านจะชี้เลยว่าเนี่ยถ้าใครรู้ทันนะรู้ทันกระบวนการของความคิดนั่นแหละผู้นั้นแหละได้ต้นทางของการปฏิบัตินะถ้าเราเห็นความคิดแล้วอันนั้นแหละจะรู้สึกอื้มใช่ละเนี่ยต้นตอของความทุกอย่างหนึ่งเลยคือการปรุงแต่งก็คือความคิด สังเกตได้เลยเมื่อไรที่คิดเมื่อนั้นไม่ทุกข์ก็สุขกันแหละแต่ถ้าเมื่อไรไม่คิดมันเฉยเฉยมันธรรมดามันปกติที่จริงคนเรามักจะคิดว่าความสุขคือสิ่งที่เราสแสวงหาความทุกข์คือสิ่งที่เร า, อ, าอยากจะเรียกว่าละออกไปแต่จริงบางคน ห, หลายคนสแสวงหาความสุขไม่ถูกวิธี เชี่ยวสแสวงหาว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้จะนำมาซึ่งความสุขหวังว่าเรียนหนังสือสูงสูงมีความรู้มากๆน่าจะมีความสุขได้ตาแหน่งการงานหน้าที่ที่ดีมีอำนาจวั ส, สนาจะทำให้เกิดความสุขมีคนรักมากมากจะทำมาซึ่งความสุขแต่เราลองสังเกตเนาะไอ้พวกนะี้ตอ น, น, นแรกๆมันได้มาใหม่ๆนะมันสุขสุขนะแต่พอ อยู่ไปสักระยะหนึ่งจะดูเลยว่ามันทุกข์นะนกขนาดไหนนะมันทุกข์ขนาดไหนมันทุกข์ในความสุขที่มีนั่นแหละนะจะด้วยขนาดไหนมันก็มีทั้งสุขทั้งสุขแล้วก็ทุกข์อยู่ในนั้นนะมันเป็นเหรียญสองด้านที่คู่กันตลอดเวลาเราจะเอาด้านบวกด้านเดียวไม่ได้มันก็มีด้านลบติดกันไปด้วยนะมีทุกข์แล้วก็มีสุขคู่กันไปเช่นนั้นแต่ถ้าเราสแสวงหาความสุขที่แท้จริง ก็คืออะไรที่จริงความสุขที่แท้จริงนะก็คือความไม่ทุกข์นะสุขไม่ใช่ตรงข้ามกับแค่ทุกข์เท่านั้นแต่จริงความทุกข์นี่มันมีสิ่งที่เรียกว่าตรงข้ามก็คือความไม่ทุกข์ตอนนั้นแหละคือความสุขที่แท้จริงถ้าเราพยายามที่จ ะ, สะแสวงหาหรือว่าหาวิธีการหรือว่าการะทำในการที่จะไม่ทุกข์นี่นแหละนะทาอย่างไรจิตใจจะไม่ทุกข์ ตอนนั้นแหละถ้าเราสแสดงหาตรงนี้ได้ถูกทางนะจิตใจจะเกิดการปล่อยวางเกิดความหลุดพ้นจะเกิดความพ้นทุกข์ได้เมื่อทำตรงนี้ได้มันก็จะพบความสุขที่แท้จริงแต่เป็นความสุขที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งอื่นวัตถุอื่นจะมีสิ่งอื่นวัตถุอื่นก็ได้ก็สามารถมีชีวิตอย่างที่เป็นสุขได้มีชีวิตอย่างที่ไม่ทุกข์ได้หรือไม่มีสิ่งอื่ น, นไม่มีคนอื่ น, นคนรักต า, ตายจากไป เราก็สามารถอยู่ด้วยตัวของเราเองได้ด้วยใจที่ไม่ทุกข์เช่นเดียวกันดังนั้นถ้าเรารู้วิธีการที่จะไม่ทุกข์อย่างแท้จริงมันจริงจะเป็นวิธีการที่เราเรียกว่าอยู่อย่างมีความสุขที่แท้จริงเนาะเราต้องกลับขั้วในการสแสวงหาคนส่วใหญ่สแสวงหาความสุขแต่ไม่เคยเจอความสุขเพราะว่ามันสแสวงหาไม่ถูกทางหรือความสุขที่สแสวงหามันก็เป็นสิ่งที่เป็นมายาอ่า เป็นมายาที่ไม่ใช่ความสุขทีแท้จริงมันเป็นเหรียญสองด้านมีทั้งสุขแล้วก็ทุกข์อยู่ในนั้นนะแต่ถ้าเมื่อไรที่เรานะสแสวงหาความไม่ทุกข์อย่างแท้จริงเมื่อนั้นแหละมันเป็นเหรียญด้านเดียวเลยนะมันเป็นเหรียญที่เรียกว่ามีแต่ทุกข์กับไม่ทุกข์นะถ้าเราสแสวงหาถูกก็เจอเลยความไม่ทุกข์อยู่ตรงนั้นแน่นอนแล้วที่จริงธรรมชาติของทุกๆุกคนนะของทุ ก, กสัตว์ปชีวก็ว่าได้ มันมีธรรมชาติที่เรียกว่าไม่ทุกข์อยู่เป็นปกติอยู่น ะ, ะเราจะไปคิดว่าคนเราทุกคนมันต้องทุกข์อยู่เป็นปกติต้องมีกิเลสตันหาเป็นปกตินะอันนั้นมันก็ถูกนะถูกแบบโรคโล ก, โลกถูกแบบคนที่เรียกว่ามีกิเลสหนานะปัญญาน้อยนะแต่สิ่งที่ถูกมากขึ้นคืออะไรนะที่หรือว่าสิ่งที่ว่าถูกที่แท้จริงคืออะไรก็คือคนทุกคนมีธรรมชาติที่ไม่ทุก อยู่เป็นปกติ อ, รรตไ อ, อะไร อ, ะะอยู่แล้วธรรมชาติที่ไม่ทุกข์คืออะไรก็คือสภาวะที่จิตใจเป็นปกตินี่แหละมันมีอยู่แล้วนะมีอยู่ตลอดกาลนานเลยนะธรรมชาติที่ไม่ทุกข์นี่แหละมันมีแล้วธรรมชาติที่ไม่ทุกข์นี่แหละที่ทำให้พวกเราอยู่กันได้ไม่บ้าไม่สูญเสียความเป็นปกติออกไปนะธรรมชาติไม่ทุกข์นี่แหละทาให้ชีวิตของเราดารงอยู่ได้โดยใจที่เรียกว่า มันไม่เป็นอะไรกับอะไรต่างๆนะแต่ทำแต่กิเลสเขาจอนเข้ามาเชื่อคราวเท่านั้นนะเขาจอนเข้ามาเชื่อคราวแต่ธรรมชาติมันอยู่แบบนั้นตลอดไปความทุกข์ความหลงเกิดขึ้นมาทีหลังนะแต่ความไม่ทุกข์ไม่หลงนี่มันเกิดขึ้นก่อนมันมีอยู่ก่อนแล้วมันก็มีตลอดไปถ้าเรากลับมาสังเกตเราจะเกิดเราจะเกิดปัญญาตรงนี้แหละกลับมาเห็นว่าอ๋อที่จริงบางคราวที่มันโกรธแต่มันก็หายโกรธไป ความหายโกรธหรือความไม่โกรธมันมีอยู่แล้วเป็นธรรมดานะเป็นปกติธรรมดาเลยนะเราก็มาสังเกตตัวเนี้ยสติจะทําให้เราได้เห็นตรงนี้อ๋อเห็นว่าความโกรธเกิดขึ้นแล้วก็หายไปมันก็หายโกรธของมันเองนะความหลงความทุกข์เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็หายไปแต่มันก็ไม่หลงเราก็ไม่ไม่ทุกข์เองนะทึ่งสิ่งต่างๆอันนี้ยมันจะไม่สามารถคิดแล้วก็เข้าใจได้ตะกีโยมนะ เราเต้องอาศัยการที่ต้องมาฝึกหัดมาปฏิบัติธรรมนี่แหละเพราะปัญญาในทางพุทธศาสนาไม่ใช่เป็นเรื่องของปัจฉญาเรียนเนื้อจำหรือว่าแลกเปลี่ยนวิเคราะห์ตกเถียงกันนะเหมือนคนที่เรียนหนังสือในมหาวิทยาลัยหรือว่าในสํานักอะไรก็แล้วแต่นะแต่ปัญญาใทางพุทธศาสนาท่านเน้นที่ภาคการกระทําการกระทําก็เลย เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นกรรมนะเป็นกรรมคือการกระทาแต่กรรมในความหมายของชาวพุทธทั่วไปเข้าใจว่ากรรมคือผลหรือว่าเป็นเรื่องของวิบากกรรมเช่นรเราเจออะไรไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตเราก็โยนหรือว่าโทษว่าเป็นเรื่องของกรรมเก่าเป็นเรื่องที่ต้องใช้กรรมนะเป็นเรื่องที่ต้องทนรับวิบากของกรรมอันนั้นก็ถูกในแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่กรรมในทางพุทธศานาถ้าไม่เน้นที่ตรงนั้นนะไม่ใช่เน้นว่าต้องไปวิเคราะห์วิจารว่าสิ่งที่เราเจอนี้มันเกิดจากกรรมอะไรเกิดจากเพราะอดีตไปทำอะไรนะเราจะไปมุดท้องแม่แก้ไขเหรอก็เป็นไปไม่ได้นะแต่สิ่งที่พระเจ้าท่านสอนนะก็คือว่ากรรมในปัจจุบันเนี่ยสำคัญที่สุดปัจจุบันเนี่ยนะเราทากรรมอะไรไว้รู้ตัวไหมปัจจุบันเนี่ยเราทาอะไรนะ เราทำดีหรือว่าทำชั่วหรือว่าทำสิ่งที่เรียกว่าเหนือดีเหนือชั่วกรรมฐานเนี่ยจะทำให้เรากลับมารู้ว่าอ้อนี่มันคิดดีเป็นแบบนี้คิดบาปเป็นแบบนี้ใจที่เป็นบุญเป็นแบบนี้ใจที่เป็นบาปเป็นแบบนี้การกระทำที่เป็นบุญเป็นแบบนี้การกระทำที่เป็นบาปเป็นแบบนี้เหมือนพวกเราหลายคนอยากจะได้บุญอยากจะได้กุศลแต่ไม่รู้ว่าบุญกุศลที่แท้จริงคืออะไร หลายคนกลัวบาปไม่ชอบบาปแต่ก็ไม่รู้ว่าบาปที่แท้จริงคืออะไรเนะี่ยถ้าเรากลับมาศึกษานะนะที่สรุปไว้นะครูบาอาจารย์อะไรก็สรุปไว้กลับมาดูที่ความคิดเนี่ยแหละนะแต่การดูความคิดถ้าเราเห็นต้นตอของความคิดมันจะหยุดความคิดได้ก่อนจะพูดก่อนจะทํามันมีการคิดถ้าคิดดีการพูดการทําก็จะเป็นทางที่ดีถ้าคิดไม่ดี การพูดการกระทำก็เป็นทางที่ไม่ดีอ้อกลับมาเห็นแล้วก็มาละที่ต้นตอของความคิดเนี่ยแหละเมื่อเร า, าตัดความคิดที่ไม่ดีได้ก็ทำดีได้จิตใจก็เป็นปกติได้แต่ถ้าเราตัดความคิดที่ไม่ดีไม่ได้เราก็ต้องเผลอไปกระทำตามความคิดที่ไม่ดีไปทำบาปไปทำผิดอันนี้การที่เรากลับมาเห็นต้นตอของความคิดจะทำให้เราเรียกว่า เป็นคนที่มีสินบริบูรณ์เป็นคนที่มีสมาธิตั้งมั่นเป็นคนที่เรียกว่ามีสติยับยั้งใจได้นะมัอาจจะยังไม่เข้าใจได้ทั้งหมดหรอกแต่เป็นกระบวนการที่สำคัญที่จะทำให้เราเกิดความปล่อยวางเกิดความหลุดพ้นได้แต่ น, นี้อจะมาบางทีพูดจากยอดตรงมาเนาะนะแต่การที่จะเห็นความคิดได้ไม่ใช่ไปดูความคิดตรงๆนะไปใช่ไม่ใช่ไปเฝ้ามองว่าเมื่อไรมันจะคิดนะ หรือมันคิดเรื่องอะไรไม่ใช่ไปดูแบบนั้นนะคนที่เขาคิดเขาก็รู้ว่าเขาคิดเรื่องอะไรนะแต่เราไม่ได้ไปดูแบบนั้นการดูกระบวนการของความคิดในภาคปฏิบัติแล้วเราดูผ่านกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะอย่างพวกเรามาฝึกหัดก็คือมาฝึกหัดเรื่องกรรมฐานกับการเคลื่อนไหวเบื้องต้นก่อนคือให้จิตใจมันอยู่กับการเคลื่อนไหวก่อนให้มันรู้กับกายไปก่อน สติจะเข้าไปดูความคิดโดยตรงต้องมีกําลังความตั้งมั่นมากนะเพราะนั้นเรามาสร้างความตั้งมั่นให้กับจิตโดยการมีกรรมฐานสักอย่างหนึ่งให้มันรู้การเคลื่อนไหวให้มันรู้สิ่งที่กําลังทําตอนนี้ไปก่อนรู้แบบไม่ต้องคิดไปก่อนนะที่เรายกมือสร้างจังหวะที่เราเดินจงกรมที่เราทำำํากรรมฐานอะไร้สักอย่างหนึ่งมันไม่ต้องใช้ความคิดมันเป็นการวางความคิดนะแค่รู้เฉยเฉยรู้ว่ากําลังทําอะไร ไม่ใช่ว่าคิดคิดหาว่าฉันกำลังทำอะไรไม่ใช่คิดแบบนั้นเช่นเรายกมือเนะี่ยมันก็ยกมือจริงๆรงมันก็รู้มือจริงๆไปนะนั่งอยู่ก็นั่งจริงๆก็รูของจริงไปรู้ลงที่ปัจจุบันว่ากำลังทำอะไรเลยอันนี้แหละคือการรู้ที่การรู้ที่กายรู้ที่รูปไปก่อนรู้แบบไม่ต้องคิดพอเมื่ อ, อไรความคิดมันโผล่ขึ้นมาก็เห็นแล้วก็รู้ว่าออนี่แหละสิ่งที่เราไม่ได้ตั้งใจ มันโผ่มันผุดมันรักมันรักคิดเข้ามาเห็นไหมว่าอ้อไอ้ความคิดแบบนี้แหละคือความปรุงแต่งเมื่อเราทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่ต้องอาศัยการปรุงแต่งการปรุงแต่งมันเกิดขึ้นมาทีหลังก็รู้ทันว่าอ๋ออันนี้แหละคือการปรุงแต่งคล้ายเนอะคล้ายเหมือนกับเสื้อสีขาวบริสุทธิ์อย่างเสื้อของแม่ชีนะน่ะนะพอสีแดงสีดํามาแปดเปื้อนก็รู้ว่าอ๋ออันนี้แหละความแปดเปื้อนมันเข้ามาแล้ว สีขาวคือสภาวะปกติของเสื้อนะแต่สีแดงสีดํามาแปดเปื้อนชั่วคราวมันมาที่หลังเห็นเลยอันเนี่ยคือความปรุงแต่งจิตใจหรือภาคปฏิบัติก็เช่นเดียวกันเมื่อเรารู้การเคลื่อนไหวเมื่อนั้นมันไม่ต้องคิดอะไรแต่พอความคิดอะไรก็แล้วแต่มันจอนเข้ามาอันนั่นแหละคือความปรุงแต่งดังนั้นในภาคปฏิบัติเบื้องต้นเลย อย่าเพิ่งไปสนใจความคิดว่ามันคิดเรื่องอะไรคิดดีหรือคิดไม่ดีอย่างไรกลับมาสนใจที่การเคลื่อนไหวของกายเป็นเบื้องต้นเลยนะแค่รู้ว่ากำลังยกมือแค่รู้ว่ากำลังเคลื่อนแค่รู้ว่าอะไรก็แล้วแต่แต่รู้ในที่นี้มามากพูดโดยสมมุติแต่รู้แบบไม่ต้องไปพูดในใจนะนะแค่รู้การกระทำกิริยาที่แสดงอาการต่างๆไปโดยไม่ต้องไปพูดไปบรายกรรอะไรในใจหรอกรู้เฉยเฉยรู้ซื่ อ, อ, อรู้ตรงๆนะ บางทีก็รู้ชัดบางทีก็รู้ไม่ชัดไม่เป็นไรรู้เท่าที่มันรู้ได้นะไม่ต้องไปมีความอยากว่าอยากให้มันชัดอยากให้มันดีอยากให้เห็นบ่อ ย, อยเห็นนานๆ น, น, นะไม่ต้องเอาอความอยากนั้นไปปนนะแค่รู้ว่าปัจจุบันนี้อะไรเกิดขึ้นทำอะไรอยู่แค่นี้พอแล้วเรารู้กายไปเรื่อยๆนะรู้กายไปเรื่อยทำแบบคนแบบวางความรู้อย่างอื่นไปเลยนะเอาละนะเบื้องต้นมาฝึกหัดกันแล้ว รู้กายไปก่อนนะรู้กายไปก่อนครูบาอาจารย์บอกแบบนี้ก็ทําแบบซื่อแบบนี้ไปก่อนนะแต่ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่รู้อย่างอื่นถ้าทําแบบนี้ถูกนะมันไปรู้อย่างอื่นตามมาของมันเองเป็นพลวนเป็นกระบวนการของมันมันเกิดลําดับลำนาขั้นตอนเกิดปัญญามากขึ้นของมันเองนะเหมือนกับเราเรียนหนังสือเบื้องต้นท่องกอไก่ขอไข่เขียนกอไก่ขอไข่มันก็ลํำดับลานำจนกรทั่งอ่านออกเขียนได้ นะเข้าใจความหมายเข้าใจอะไรต่างตามันเป็นลหดับของมันหลักรรมาฐานเบื้องต้นกอไก่ก็คือการกลับมาดูกายเคลื่อนไหวนะแต่เราต้องรู้กายแบบไม่ใช่เข้าไปเพ่งที่กายนะไม่ใช่มาสงใจมาหยุดที่มือที่เท้าที่ขาให้ใจมันอยู่ต่างหากให้ใจเป็นผู้รู้ผู้ดูให้ใจเป็นผู้รู้ ผ, ผ, รผู้ดูการเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับกายไปก่อนนะ เมื่อใจเป็นเพียงแค่ผู้รู้ผู้ดูมันจะแยกสภาวะสิ่งที่รู้กับสิ่งที่ถูกรู้นะกายเป็นสิ่งที่ถูกจิตเข้าไปรู้จิตเป็นตัวรู้ที่เกิดขึ้นนะมันจะรู้แบบนี้ไปเรื่องเบื้องต้นไปก่อนเมื่อเรารู้แบบนี้ไปเบื้องต้นเดี๋ยวต่อไปสภาวะที่จิตมันไม่รู้ก็คือมีความหลงมีความคิดเข้ามาครอบงาจิตมันก็จะมีจิตที่รู้ถอนตัวเองออกมาจากความหลงความโน่นั้น ที่จริงเป็นสภาวะที่มันเป็นปกติของมันอยู่แล้วเช่นนั้นนะแต่เราดูกายเราก็จะเห็นจิตนะดูความคิดเราจะเห็นธรรมะแน่นอนอันนี้แหละคือในภาคการการปฏิบัตินะก็ขอให้พวกเราทุกคนได้ได้มั่นใจว่าวิธีการเรียนการสอนที่นี่หรือสิ่งที่เราพากันปฏิบัติในที่นี่เนาะก่อนพวกเราจะมาก็ดีก็มีคนอื่นมามากมายหรือว่าพวกเราจากไปก็จะมีคนอื่นมามากมายเช่นเดียวกัน เพราะว่าอะไรมันเป็นสิ่งที่ท้าแกการพิสูจน์ท้าแกการเรียนรู้นะตำนักที่นี่นะอย่างที่ป้ายก็บอกว่าสถาบันสติปัฏฐานนะไม่ใช่แค่วัดธรรมดาแต่เป็นสถาบันที่สอนเรื่องสติปัฏฐานนะสอนตรงนี้แหละคือหัวใจสำคัญของพุทธศาสนาพระเจ้าท่าบอกว่าสติปัฏฐานเนี่ยเป็นทางสายเอกเป็นทางสายเดียวที่จะนามาซึ่งความพ้นทุกข์นะ ท่ น, นั้นวิธีการไหนวัดไหนสำนักไหนก็แล้วแต่ถ้าสอนเรื่องสติปัฏฐานเนี่แหละก็คือสอนเรื่องทางที่จะไม่ทุกเนี่แหละนั้นเป็นหัวใจสําคัญมากที่พระเจ้าท่านตัดสู้แล้วก็สั่งสอนต่อพวกเราเนาะให้พวกเรามีความมั่นใจแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องเรียกว่าเชื่อทั้งหมดนะให้ลองพิสูจน์เรียนรู้ดูก่อนนะลองทําดูมันไม่ทุกตอนไหนมันทุกตอนไหน วางใจแบบไหนทุกวางใจแบบไหนไม่ทุกรู้แบบไหนมันรู้แบบไม่ทุกหรือรู้แบบไหนนะมันรู้แล้วมันก็ยังเจือกับความอยากอยู่ต้องสังเกตต้องเรียนรู้ด้วยตัวของเราเองนะครูบาอาจารย์นะก็เป็นได้เพียงแค่ผู้บอกหรือว่าเป็นเพื่อนในการปฏิบัติแต่ภาคปฏิบัติที่แท้จริงแล้วเราต้องกลับมาดูตัวเองแล้วก็ต้องดูด้วยตัวของเราเองอย่างแท้จริงนะดูตัวเองก่อนนะ รู้ตัวเองรู้กายรู้ใจที่ที่ที่เราเกี่ยวข้องสัมพนันธ์นั่นแหละคือการรู้ตัวเองต่อไปเราจะมีปัญญาด้วยตัวของเราเองนะปัญญาเข้าใจแล้วก็วางด้วยตัวของเราเองนะแต่ที่จริงแล้วปัญญาตัวนี้คืออะไรการเห็นว่าตัวเองที่แท้จริงไม่มีนั่นแหละคือปัญญาขั้นสุดยอดเลยนะเพราะสิ่งที่เรายึดที่เราถือที่เราแบกมากที่สุดคือตัวของเราเองนั่นแหละปัญญาที่เห็นว่าตัวเราเองที่แท้จริงไม่มี มีแต่การยืมเข้ามาใช้ชั่วคราวยืมรูปนี้มาใช้แล้วสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบปีเจ็ดสิบปีก็มียืมมาใช้วันหนึ่งก็ต้องคืนจากเขาไปไอ้ใจเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเป็นก้อนเป็นความคิดเป็นตัวเป็นตนตอยู่ในร่างกายนี้แต่พอสังเกตดูดีๆนะมันใช่หรือเปล่านะแยวเราไปหากาตอบนะในตัวของเราเองแล้วกันเนาะนะ ก็คงพอสมควรเกรวเวลานน ะ, ะพวกเรากลับพระพร้อมกัน